เป็นไงคณะพวกชีพามนีนก็เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะบวชชีพรามตลอดออกพรรษาใช่ไหมอ้าวปีนี้เป็นปีอะไรพุทธศยันตีอีกต่างหากเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของพรรษาน่าจะบวชตลอด ออกพรรษานะหลวงพ่อว่านะเป็นบุญเป็นกุศลนะคณะสัตยาญาติโยมจะถ่ายรูปนะขณะที่หลวงพ่อพูดคณะหลวงพ่อเทศนะถ้าหาว่ายังไม่ตั้งนมโมเนะี่ยใครจะถ่ายก็ถ่ายได้นะแต่ถ้าหาว่าตั้งนโมตัดสละแปลว่าทุกคนอยู่ในความสงบ เ, เพราะธรรมะหรือว่าแนวความคิดของหลวงพ่อ การกลองไตรตรองในที่สงบสงัดเพราะนั้นจะนำแนวความคิดอยู่ในที่สงบสงัดมาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนให้คณะสัทาญาติโยมได้ฟังถ้าหากว่ามีเสียงอะไรรบกวนหรือมีสิ่งรบกวนแนวความคิดของหลวงพ่อมันกระโดดเข้าไปอย่างเก่าทีนี้มดท่าเลยทีนี้เออ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบขณะที่หลวงพ่อกล่าวหรือหลวงพ่อแสดงธรรมนานๆพวกเราจึงได้มาพบมาเจอกันเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายให้ตั้งใจฟังว่าวันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังบ้างเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาพบมาเจอกันบ่อยนานๆหลวงพ่อจะได้มาพูด มาแสดงธรรมให้แก่คณะญาติญาติโยมฟังหลวงพ่ออยู่ในป่ารงพงไพ่บวชนานชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเป็นพระป่าเป็นเนรป่าเป็นพระป่ามาตลอดแล้วแนวความคิดของหลวงพ่ออินเนี่ยมีความคิดอย่างไรพวกเราก็ให้ฟัง แล้วการกลองไตรตรองดูด้วยว่าที่ท่านมีความคิดเห็นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราก็จะได้ฟังและกันกลองอด้วยเหตุด้วยผลพอหลวงพ่อไปณ่าจะฐานที่ใดหลวงพ่อไม่ได้ว่าเป็นพระที่ท่านสมัยมีความรู้ความฉลาดสามารถหลวงพ่อไม่ได้เคยพูดอย่างนั้นหลวงพ่อมีแต่ว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าทั้งรุน่น เป็นเนรอยู่กับหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก่อสมัยก่อนก็พวกเราขนาดไปเห็นขนาดเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในป่าดงพงไพยพอสมควรแต่สมัยก่อนยิ่งกว่านั้นไปอีกที่อยู่ผู้เจ้าก่อองค์หลวงปู่เป็นสมณเณรอยู่8ปีตั้งแต่ปี 2,500 นหคณะสัทธายาโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อก็เคยพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง ว่าหลวงพ่อเป็นมาอย่างไงแต่พวกลูกหลานบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดย้ำให้ฟังอีกแต่ถ้าว่าพูดได้ยินแล้วก็โอกรู้แล้วละหลวงพ่ออินเป็นมาอย่างไงแต่ผู้ที่ไม่รู้ก็เออเพิ่งได้ยินเดียวนี้เองเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นสมณีนมาแต่ปี 2,500 อยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าของเรานี่ก็เป็นคนบ้านกุศะตําบลหมู่มต์อําเภอเมืองอุดรของเรานี่แหละท่านบวชแล้วท่านก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นยุคสุดท้ายออกจากหลวงปู่มั่นท่านก็ลงไปจําพรรษากับหลวงปู่เทศทางภูเก็ตพังงาจากนั้นขึ้นมาจำพรรษากับหลวงตามหาบัวที่ วัดป่าบ้านห้วยทรายอำเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารวัดหลวงปู่จามอยู่ทุกวันนี่แหละนี่แหละหลวงปู่ล่าหลวงปู่จิ้งทองนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงตาไปแนะนําสั่งสอนอบรมอยู่ตรงนั้นละ่ะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตานี่แหละจากนั้นท่างก็ไปอยู่ภูเจ้า ก, ก่อปี2500แต่องค์หลวงตาก็ขึ้นมาสร้างวัดป่าบ้านตา ปี 2,498 นะวัดป่าบ้านตาดปี 2,498 นะลูกหลานที่ลุงตาออกมาจากห้วยทรายแล้วก็ไปจำพรรษาที่สถานีทดลองจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นก็ขึ้นมาสร้างวัดป่าบ้านตาดทําไมท่านจึงมาสร้างวัดป่าบ้านตาดเพราะเป็นบ้านของท่านปส่วนหนึ่งแต่ลวงตาก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวอาถานท่านไม่เกี่ยวแยะ เกี่ยวข้องกับใครอยู่แล้วแต่นี้ท่านเป็นห่วงแม่ของท่านคือโยมบรรดาของท่านโยมบิดาของท่านก็จากไปแล้วยังเหลือแต่โยมมารดาเมื่อท่านได้ภาวนาเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านแล้วท่านก็ล้ำลึกถึงโยมบรรดาพราะเป็นผู้มีอุปการะคุณยิ่งสำหรับองค์ท่านท่านจึงให้คุณแม่ชีแก้วมาเทศปโปรดโยมบรรดา จากนั้นท่านก็ได้เอาโยมบรรดาของท่านออกบวชบวชเป็นชีภักขขาวเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่นู่นจันทบุรีจากนั้นก็โย ม, มรรดาก็คิดถึงบ้านเนี่พอคนแก่อาหารการบริโภคการเป็นอยู่คู่คนก็ไม่คุ้นเชื่องอยากจะกลับมาอยู่บ้านเพราะนั้นหลวงตาทำยังไงได้เพราะบวชแม่แล้วนี่ จะปล่อยป่าละเลยก็ไม่ได้ท่านก็กลับมาพอกลับมาท่านก็เลยมาสร้างวัดป่าบ้านตาดนี่แหละสาเหตุที่สร้างวัดป่าบ้านตาดองค์ลงตาท่านมี เ, เรื่องมีแนวแถวอยู่นะลูกหลานนะแต่สำหรับหลวงปูล่ลาท่านก็ออกจากห้วยทรายท่านก็ไปอยู่ที่มุกดาหารห่างไกลกันประมาณ20กว่ากิโลจากนั้นท่านก็ไปสร้างอยู่ที่นั่นท่านก็ไม่คิดว่าจะอยู่ที่แรกนะ พอไปที่กันดานมากแต่ลุงพ่อเองก็ขึ้นมาเป็นสมณีนของหลวงปู่อายุเพียง11ปีกว่าๆย่างปี12บะจากนั้นก็ได้บวชเป็นสมณีนเป็นสมณีนอยู่8ปดปีจากนั้นก็ได้บวช เ, เ, เ, เ, เป็นพระปี08ลูกหลานบางคนก็ยังไม่เกิดก็คงจะมีอยู่บางแถวนี้นะลุงพ่อบวชนะนั่นแหละจากนั้นก็มา จำพรรษาอยู่ที่ภูเจโกะ อ, อยู่กับหลวงปู่จามอยู่หลวงปู่แวนหลวงถูกปู่แวนของหลวงพ่อเคยไปนะลูกหลานนะอำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดหลวงปู่จามอีกจากนั้นก็มาจําพรรษากับหลวงตามาหาบัวปีปี2 5ง2ันหออมาอยู่กับหลวงตาปี2อง2จนถึงสองพันาร้อยยีหลวงพ่อเจเได้ลาองค์หลวงตา ไปจำพรรษาที่วัดป่านาะคําน้อยอยู่กับหลวงตาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ปีสอง2ันหนึถึงสองพันารี่สิบาพรรษาตลอดอยู่กับองค์หลวงตาไม่ได้ในระหว่างไม่ได้จําพรรษาที่ไหนจู่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาสิบสี่ปีจากนั้นก็หลวงพ่อไปอยู่ที่นูน่นแต่ก็ไม่เคยปล่อยไม่เคยลดละแต่ละเดือน หลวงพ่อก็เข้ามากราบคารวะองค์หลวงตาบโดยสม่าเสมอแต่ว่าหลวงพ่อไม่ค่อยเข้ามานะเวลาคนเยอะๆคนเยอะๆหลวงพ่อจะไม่เข้าเข้ามาช่วงที่ว่างคนหรือว่าช่วงที่ไม่มีงานถ้ามีงานเราก็เข้ามาก่อนจะถวายสิ่งของท่านก่กอนนี่แหละ อันนี้ก็คือประวัติของหลวงพ่อโดยสังเขปนะนศนัชตาญาติโยมลูกหลานเอาต่อเนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะให้ตั้งอกตั้งใจฟังหนหน้าหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้เพราะว่าการพูดการแสดงธรรมนี่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมมขันนะนศนัทตาญยาดโยมนะสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องค์ใดท่านไหนจะหยิบยก เอามาอธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอันให้สงแห่งการฟังธรรมมีห้าอย่างมีห้าประการผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้คืออั น, นิสง์แห่งการฟังธรรมแล้วก็พระพุทธองค์ยังตรัสเป็นพระบาลีอีกว่าสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดสติปัญญาเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ยินแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราว่าจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็กันกรองไตรตรองเหตุและผลเออ ด้วยชติด้วยปัญญาของเราพิจารณาการกลองอันนี้เรากภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาสุดตรมยะปัญญากับกินธรรมยปัญญาเป็นปัญญาทั่วๆวไปของคนทั่วไปนะแต่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ทำจิตใจให้สงบจากนั้นก็นำมาพิจารณา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันคือภาวนามยปัญญาเพราะฉนั้นสรุปแล้วทั้งอนิสงส์แห่งการฟังธรรมก็ดีแล้วก็สุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็ดีสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังจากท่านผู้ค้นคว้าศึกษา ไม่ได้ยินได้ฟังจากท่านผู้ประพฤติปฏิบัติพวกเราจะเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหลักธรรมอันนั้นแปลว่าเป็นผู้อัจฉริยะจริงๆอัจฉริยะจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะรู้อย่างนั้นได้แต่ถ้าว่าทันธาพิญญาคือพวกเราท่านทั้งหลายพวกรู้ได้ช้าแล้วก็ไม่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะแนะแนวหรือว่าหยิบ จุดใดจุดหนึ่งมาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อดำเนินให้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเนื่องในงานทําบุญอายุครบร้อยหนึ่งปีของเจ้าคุณปู่พระอุรมยานโมลีหลวงปู่จันศีจันททีโปพันษาของหลวงปู่พันษานี้เป็นพันษาที่แปดสิบเอ็ดท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพร จังหวัดอุรณธานีของพวกเราหลวงปู่ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มแล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีมาโดยสม่าเสมอแต่ทีแรกท่านก็เป็นสมัมมเนนอยู่กับครูบายจา์สายพระธุดง์สายหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่อ่อนที่ท่านเคยเล่ า, ลาให้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 ในเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานก็ให้เป็นพระกรรมฐานในดีที่สุดในเมื่อไ ป, ปรเรียนปริยติธรรมก็ให้ตั้งอกตั้งใจเรียนปริยติธรรมให้ดีที่สุดความหมายของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นจากนั้นองค์หลวงปู่ของเราก็ได้ไปศึกษาปริยติธรรมในกรุงเทพจนได้มหาปริยนสีประโยคท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะจากนั้นท่านก็ออกปฏิบัต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 ท่านแนะนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาอย่าทาอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะเพียงเท่านั้นแหละท่านก็ได้สำเร็จมักสำเร็จผลแต่นิลหลวงปู่ของเราท่านฟังทำคำสอนของหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ประทับใจยอย่างมากจากนั้นท่านก็ได้นำทำคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นเป็นแนวทางจากนั้นท่านก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหาร เ, เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคจนได้เป็นหลวงปู่เป็นพระอุรมยานโมรีในขณะ น, นี้ท่านก็เป็นรองสมเด็จถ้าว่าอยู่ในกรุงเทพก็คงจะขึ้นเป็นถึงขั้นสมเด็จได้เพราะนีนเราอยู่ในชนบทก็ได้ขนาดนี้เปลว่าสูงสุดในชนบทเพราะนั้นหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ โดยสม่ำเสมองามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็จุดท้ายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขนาันธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้มากราบคารวะองคหลวงปู่ในคราวนี้ได้มาถือศีลแ น, น่ขํำและกลยมาทำบุญทำทานได้มาประพฤติปฏิบัติแสดงความเคารพแสดงมุทิตาสักการะ ในองค์หลวงปู่นับว่าเป็นบุญกุศลนับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการที่เข้ามาในคราวนี้ก็เป็นเพียงสามวันคือวันที่8ดวันที่9แล้วก็วันที่สิบวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วก็วันที่ส0บเป็นวันครบครอบอายุร้อยปีขององคหลวงปู่ ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นร0 1ยหนึ่งปีเดี๋ยวนี้พระเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากก็คือมีหลวงปู่จามมหาปุญโยอำเภอคำเช อ, อีจังหวัดมุกดาหารอันนั้นท่านอายุร0อยสปีแก่ก็องหลวงปู่ของเรานะหลวงปู่จามร0 3ยปีถ้าหากว่าวันที่19าพฤษภาแปลว่าร0อยสีปี องค์หลวงปู่จามแต่รู้สึกว่าง่อมเต็มทนเหมือนกันนะออรู้สึกว่าท่านก็รู้สึกว่าไม่แพ้หลวงปู่ของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาิโยมทุกทกท่านได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา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 บางที่กับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด อ, อย่างนี้หรือสีนามิอย่างนี้แต่เมืองไทยของเรารู้สึกว่าธรรมชาติเหล่านั้นฆ่าหรือว่าทาร้ายทาลายพวกเรามีน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศอันนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีพวกเราเป็นผู้โชคดีได้มาเกิดในปฏิรูปรเทสวาโซ จ, จะอยู่ในปฏิรูปประเทศปภะจกตะปุญญาตา พวกเราคงได้ทําบุญกุศลไว้ในอดีตพวกเราที่คงได้ทํำบุญกุศลไว้ในอดีต เ, เรียก ว, ว่าเวลาได้พบพระ อ, อริยะบุคคลหรือว่าได้ทําบุญสุนทานณสถานที่ใดก็คงจะตั้งความปราถนาว่าสาธุเนอร์อข้าพเจ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ข อ, ขอให้เกิดในประเทศที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 แต่ออฟริกาที่หัวโตโตท้องใหญ่ๆขารีบๆนั่นน่ะที่พวกเราเห็นนั่นน่ะอันนี้แปลว่าพวกเราเไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากหลวงพ่อว่านะทั้งภพชาติทั้งศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์หลวงพ่อเคยพูดว่าบุพการี ถ้าพวกเราจะเปรียบเทียบให้เห็นก็คือบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเราท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วกอ็อันนี้เรว่าบุพาการีพวกเราจะแสดงความกตัญญูต่อองค์ท่านอย่างไรต่อพ่อแม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดบุพาการีที่สองอก็คือเจ้าพระเจ้าแผ่นดิน อันนี้ก็เป็นบุพการีส่วนหนึ่งแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ให้แนะนาสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแนะนวแห่งการประพฤติธปฏิบัติให้รู้จักมรรครู้จักผลรู้จักศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นบุพการีอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาว่าถ้าจะไล่เลี้ยงให้ถูกต้อง บุพภ า, ารีมีอยู่4 4คืออะไรคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะั่นคือบุพภ า, ารีเบื้องตน้นถ้าว่าพวกเราไม่มีพระธรรมคำสอนคือพวกเราไม่ได้พบได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพวกเราก็คงจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณอะไรเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา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 เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยได้มาจากไหนใครเป็นคู่ดูแลทำให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขมาถึงบัดนี้ใครเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติพวกเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์พวกเราก็จะรู้ว่าเจ้าพราเจ้าปิ์แต่ละองค์ปกป้องประเทศจนรัชกาลที่ห้าพวกเราคิดดูซิว่าถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ห้า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 ประเทศเหล่านั้นเขาเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศทั้งหมดมีแต่เมืองไทยของเราประเทศเดียวที่เป็นเอกราชอยู่ยงขึ้นมากระทั่งทุกวันนี้พวกเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากอันนี้ก็คือเนี่ะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีปีชาสามารถปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พร้อมกันพระ อ, องค์ก็ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาเออ พระมาหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์ได้ทรงผนวดได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานผู้ใดบวชมาในพระพุทธศาสนาไม่กระดักไม่อายเพราะเหตุไดเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาบวชท่านเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราเพราะฉนั้นพวกเราได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากอีกส่วนหนึ่ง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 กระดูกของท่านหรืออธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้ไประจักแก่ตาของเราว่าอันนี้คือกระดูกของพระอระหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัฏสงสารอีกแล้วอันนี้คืออธิธาต์หรือกระดูกของพระอระหันต์เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะตายใจได้ควรจะสบายใจได้ที่พวกเราได้พบได้เจอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแต่พวกเราเท่านั้นละ่ะจะจริงจังและจริงใจขนาดไหนที่เราจะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่หละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะนี่ยลุงพ่อก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังอีกในหลักของพระพุทธศาสนาระวัตทิศ ท, ทั้งหกทิศ ท, ทั้งหกกันน่าศึกษาเหมือนกันทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาพวกเรามีพ่อมีแม่ มารดาบิดาคือทิศเบื้องหน้าคือทิศ ต, ตะวันออกเพราะเราเกิดขึ้นมาเรายังไม่รู้เรียงสาภาวะเราเลืมตาขึ้นมาเห็นพ่อเห็นแม่เราก่อนเป็นคนแรกอันนี้เราทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาพวกเราก็ควรจะทําให้ถูกต้องทิศเบื้องหน้าบิดามารดาเมื่อได้ถือกําเนิดเกิดจากท่านมาแล้วท่านยังเลี้ยงดูเราอีก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 พ่อแม่ท่านนั่นแหละเป็นพระหารของเรา u, ท่านไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหารกับทุกขูทุกคนไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้น ua. เราต้องถือว่าพ่อแม่เป็นพระหารของเราเท่านั้นเาประเทศเบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติตนอย่างไรกับสามีภรรยาสามีคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรอย่าก้าวไกลกัน ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าดูถูกเยียดยามกันเอออย่าใช้อารมณ์ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมอย่าดูถูกเยียดยามซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์กันเออให้รู้จักสถานะของตนเองอันนี้แหละคือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีหลายระดับมีตั้งแต่สอนกอไก่ขอไข่จนถึง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 ไม่มีกัลยาณในมิตรที่ดีคนคนนั้นบริษัททางร้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีหมู่เพื่อนที่ดีอันนี้ว่าทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำาบาวคือลูกน้องบริวารถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ถูกต้องไม่รู้จักให้ดูแลลูกน้องบริวารของตนเองถ้าว่าลูกน้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร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 อันนี้การวางตัวอย่างนี้อย่างนี้นะมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมแต่ถ้าว่าลูกหลานวางตัวไม่ถูกนะลูกหลานจะเดือดร้อนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศ ท, ทั้ง6นะี่อันนี้คือสมณพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนแกน่คณะรัตยาธิษยโยมนี่แหละอีกส่วนอีกอันหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปฏิบัติถูกต่อทิศ ท, ทั้ง6นี่แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่ เราไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะพวกเราปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกโดยเป็นธรรมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการเป็นอยู่ในการบริหารจัดการในสิ่งรอบด้านและรอบข้างส่วนทางด้านจิตใจทีนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราหนาวโชคดีที่ได้มาพบมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันพวกเราควรจะวางใจควรจะตายใจกับ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 แนวทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่เดินไปแนวเคียงคู่กับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเ่นท่านภาวนาอะไรในวันนั้นอันนี้เราศึกษาเนี่ยเอายกมาเป็นตัวอย่างเป็นกระจกเงาพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนา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 มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นมันหลุดมันหล่ดเออมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายสติของเราเออมันหลงได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธสามทับเข้าอีกนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุท หายใจออกบริกรรมว่าโถให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธนะอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นฤิิทธิญาณิสิทธิของหลวงปู่มั่นท่านก็มาแนะนำสั่งสอนทั้งหมดหทั้งหลวงปู่ฟั่นทั้งหลวงปู่ขาวทั้งหลวงปู่เทศทั้งหลวงตามหาบัวแต่หลวงตามหาบัวท่านยังพูดอีกว่าเมื่อท่านเรียนมหาป ร, ริญญสามประโยคจบออกมาแล้ว ท่านก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือท่านยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเสื่อมมันหลุดได้ง่ายมันเสื่อมจากนั้นท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะบริกรรมด้วยหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาปัดกวาด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 สรุปแล้วคือทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอันดับแรกๆต้องบังคับนะคณะสัตทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องใช้การบังคับเหมือนกับเด็กนะ เ, เด็กพวกเราเห็นไหมที่จะไปเรียนหนังสื อ, อ, อวันใหม่ๆเห็นหมูพวกเพื่อนไปก็อยากจะไปกับหมูเพื่อนพอวันที่สองพอไปไปเรียนนั่นกลับมาไม่อยากจะไปนะท่งอเ ง, งี้ยไม่อยากจะหนีจากบ้านแต่พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้อง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 พวกเราท่านทั้งหลายใหม่ๆ อ, อ, อยากจะให้ภาวนาเอาเลยมันเป็นอย่างนั้นได้ยากนะขะ้ารัชารทาตาโจมนะให้รู้จักวิถีทางเดินของจิตใจของพวกเราเราต้องบังคับตัวเองซะก่อนเป็นอันดับแรกพยายามนั่งให้นานเวลาเรานั่งกลางคืนหรือว่าเวลามีโอกาสหาว่างๆเวลาโอกาสว่างๆเนี่ยไม่มีอะไรในวันนี้ บ่วง อ, อ, อย่างวันพระห้องพระหรือวันพระเนี่ยเราก็เข้าไปไหว้พระนีอลาหังสวากขาโตสุปฏิปัโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาทุกทุกวิญญาณด้วยเทิน นึกในใจอย่างนั้นอันนี้คือแผ่เมตตาเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบพุทโทธธรรัมโมสังโฆกราบพระพุทธ ร, รูปพุทโทธธัมโมสังโฆไม่ใช่กราบปลกุปลกปลุกสามครั้งไม่ใช่นะกราบพุทโทธธัมโมสังโฆนิพพานังคือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานเพื่อหวังไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารได้อีก จากนั้นเราก็ น, นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวิทยุโทรศัพท์โทรโทรศัศน์ปิดไว้ก่อนอย่าให้มีเสียงอะไรรบกวนในขณะนั้นโทรศัพท์ขอเราก็ปิดไว้ก่อนมันคงจะไม่ให้ความสุขความร่ำความรวยอะไรหรอกในช่วงนั้นปิดไว้สักหนึ่งสองสามชั่วโมงเป็นไรไปพอเปิดก็เปิดทุกวันทั้งวันอยู่แล้ว จากนั้นเราก็ปิดพอปิดแล้วก็ น, นั่งสมาธิเลยนั่งให้นานบังคับให้นานนานเท่าไหร่ยิ่งดีทดลองดูซิข้าพเจ้าอันดาแปกจะนั่งสักย2 0นาทีต่อมาส0มสนาทีต่อมาหนึ่งชั่วโมงต่อมาสักสองสามชั่วโมงดูซิเป็นยังไงต่อมาให้นั่งนานนานนั่งนานเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งภาวนานเวลานั่งภาวนานทาไมปวดหลังปวดเอว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 ล่วงลับดับขัดไปพวกเราได้พระราชทานเพลิงหรือประชุมเพลิงท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราจะไม่มั่นใจอยู่เหรอเ อ, อเายังไปเชื่อ ย, อย่างอื่นอยู่เหรอเราไม่มั่นใจเหรอหลวงพ่อวันหน้าจะมั่นใจและตายใจในแถวแนวของหลวงปู่ครูบายอาจารย์ที่แนะนาสั่งสอนเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาพอศึกษาแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติ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 แต่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งท่านอ น, นั้นคือเป็นวิถีของพุทธะท่านระลึกชาติทุนหลังได้คือน้อมจิตระลึกชาติทุนหลังได้เพราะฉะนั้นไอ้เอกนั้นคือส่วนหนึ่งที่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มั่นใจว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าปุพเพในวาสานุจติยานระลึกชาติทุนหลังได้อันนี้ก็พวกเราก็มั่นใจว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีก ที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นี่แหละปุเพเนวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจตุปปาตญาณอาสาวกยญาณแต่นี้เอาเถอะพวกเราเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นผลละอันกันนะศรัทธาญาติโยมนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถเห็นใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่นี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเราจะรู้ได้ว่าเออร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่นามธรรมคือใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสาคัญเนี่ยไม่ตายาไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละเป็นตัวสาคัญ ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ได้บอกกล่าวว่าใจใจผู้รู้ผู้รู้นามธรรมนามธรรมคือตัวนี้เองในหลักธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้ว่ามโนโปุพังขามาธรรมามโนเสรามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละขอให้พวกเราคณะจทหาญาดโยมทุกๆท่านนะให้ภาวนาเมื่อภาวนาแล้ว พวกเราก็เอสำหรับคารวาสญาติโยมนี่ภาวนาไปแล้วจะได้สำเร็จมักงสำเร็จผลอย่างหลวงปู่มั่นไหมเนี่ยบางคนก็เคยถามเหมือนกันถ้าว่าพวกเราภาวนานพวกเราจะได้สำเร็จมักงสำเร็จผลเป็นพระหันได้ไหมแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธถ้าว่าพวกใดปฏิบัติถึงที่ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันอย่างพิกษุลีนางเขมาอย่างนี้ที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารอานี้ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรันสมัยเป็ น, ป น, ปนโยมแล้วพระเจ้าจุธโทธนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรันท่านก็ไม่ได้บวชนะและอย่างสันติมหาอามาตท่านก็ได้สําเร็จ เป็นพระรหัตทั้งที่ท่านเมาเมาเมาเหล้าอีต่างหากเพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สําเร็จเป็นพระรหัตในพวกเราท่านทั้งหลายก็อยากจะสงสัยอ้าทําไมคนเมาเมาอยู่ก็ได้สําเร็จถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกินเหล้าให้เมาซะก่อนแล้วก็มาภาวนาจะไม่ได้สําเร็จหรือหลวงพ่ออินขยภาว่าอย่างนั้นอีกแต่ไม่ใช่นะคณะทัฐธาญาจโจรเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าเล่าประวัติสัน ต, ติมาหาอํามาตย์ให้ฟังนะ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 เออเพราะว่าสัน ต, ติอาอามาตเป็นคนจริงจังเสร็จแล้วก็กลับมาพอกลับมาพระเจ้าประเสริฐที่โศกศลก็เออปูนบําเหน็จเออปูนบําเหน็จให้เอาให้สันติมหาอา ม, มาตเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจดวันฮะเออสมัยมันไม่ใช่ธรรมดานะปูนบําเหน็จให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจ็ดวันส่วนพระยาประเสริฐเนี่ยก็อยู่อีกมุมหนึ่งแต่นี่ก็ให้เออสันติมหาอา ม, มาต สวยราชเจ็ดวันเพราะเป็นเป็นผู้มีความสามารถไปปราบปรามปัจจันตชนบทเอาชนะโจนผู้ร้ายที่แข็งข้อขึ้นม า, าชนะได้จากนั้นชันติมหาอมาตมันก็ไม่พ้นวงเวียนกองความกองเกวียนที่ว่าสุรานารีภาสีกิฬาติแต่นี่เขาหนักไปทางสุราและนารีนะ ท่านนพอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวันนี่ก็นี่แหละดื่มสุราจนหามลุ่งหามค่ําแล้วก็พร้อมกับพระเจ้าผัสเซนกับพระรธิทานนางงามให้อีกเป็นอคคะมเหสีบของสันติมหาอามาตสันติมหาอมาตก็มีตะเมา่นั่นแหละทั้งสุราทั้งนารนีวันนั้นพึ่งวันที่เจ็ด ชันทตติมหามาก็สนุกสนานอย่างสดชุดเหวี่ยงนะเพราะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอายังไงถึงจะมีความสุขเอาอย่างนั้นไงพอไปลบมาแล้วเนี่ยเมื่อชนะค้าศึกมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินปนบําเหน็จให้ตัวเองต้องการอะไเอาอย่างสุดๆนะแต่ในพอวันที่เจพระพุทธเจ้ากับพระอนุนเดินไปบินธบาตเพื่อจะเข้าประตูเมืองกรุงสาวัตถี สันตติมหาอามาตถ์ก็ขี่คอช้างกับบริวารใส่ชุดพระราชาเต็มเต็มถี่พอเดินมาพรพุทองค์ก็เดินเข้าเพื่อจะเข้าในประตูประตูเวียงประตูกรุงสวัสถีสันตติมหาอามาตถ์อยู่คอช้างนะ่ะไอ้ค้าว่าตกแหลมไม่ตกแลหลมเมาเมาเหล้าเมาสุรานะพอเห็นพระพุทธเจ้ายังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่นะ ยังพองกหัวเหมือนกันเด็กยังพองกหัแสดงความคารวะแสดงความคารวะพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพในคอช้างพอจากนั้นก็พระพุทธองค์มองเห็นท่านพระองค์ก็พระพุทธเจ้าขอเรายิ้มแย้มพระโอษนะพอแย้มพระโอษท่นี้พระอานนท์ก็ถามคือตามปกติในถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าจะไม่แย้มพระโอษจะไม่ยิ้มแต่คราวนี้ท่านแย้มพระโอษ พระ อ, อนนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดหนอพระพุทธองค์จึงแย้มพระโอดพระเจ้าค่าด้วยเหตุอันใดพระ อ, องค์จึงแย้มพระโอดพระเจา้าข่าพระพุทธองค์บอกว่า อ, อนนท์เห็นไหมสันทติมหาอมบาตอยู่ในคอยช้างนะแต่งตัวเต็มยศแต่งตัวเต็มยศเหมือนกับพระราชาสวย ร, ราชแต่วันนี้น ะ, เ, ะเขาจะเข้าไปหาเรา เออเพราะว่าภรรยาของเขาเอ่อที่ร้องรำทำเพลงจะตายมรณาภาพเขาจะเอ่อเขาจะเข้าไปหาเราเมื่อเขาไปหาเราแล้วเราจะเทศให้เขาฟังเขาจะได้สำเร็จเป็นพระหันเออแล้วก็จะได้ทิพานในอากาศในวันนี้คือพระพุทธองค์ตัดกับพระอานนท์แต่คำพูดคำนี้นะ่ะได้ยินไปทุกหัวละแหงเพราะว่าเหมือนวิทยุอย่างนั้นแหละ พระ อ, องค์อยากจะให้ใครได้ยินได้ยินหมดทุกคนแต่นี้คนทั้งหลายเขาก็บอกว่าส ม, มณะโคดมเยขนาดสันติมหาอามาต์เมาแป้อยู่อย่างนี้จะจะได้สำเร็จเป็นพระรหันต์และจะได้เป็นพระรหันต์และจะเหาะ ห, หรือว่าจะได้แสดงฤทธิ์จะนิพพานบนอากาศโอ้สั ม, มณะโคดมโกหกพูดใหญ่ลวเกินฮะไอ้กลุ่มหนึ่งฮะแต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกโอ้ พระพุทธเจ้าพูดหนึ่งไม่มีสองพระองค์ตรัสยังไงเป็นอย่างนั้นพวกเราควรจะไปดูวันนี้ต้องมีแน่ๆเรื่องอย่างนี้เราจะจะดูสันตติมหาอมาตย์และเกินอยากจะดูพระพุทธเจ้าพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าและเกินจากนั้นก็พอตกตอนเย็นสันตติมหาอํามาตย์ก็ไปแม่น้ําอาบน้ําเล่นน้ําสนุกสนานพอเสร็จแล้วก็ขึ้นจากแม่น้ําขึ้นมา ก็ไปสวนอุทยานพอไปสิงอุทยานก็ไปตีวงล้อมรอบในสวนอุทยานกําลังเอาเล่ามาโกงกันอีกมั้งแต่นี้นางนางไอ้ที่เป็นที่ได้รับพระราชทานมานี่ก็ออกไปเต้นลัมในกลางวงไงพอเต้นลําได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นน่ะนางนก็อดอาหารไม่ได้ทานอาหารเพื่อความจะเป็นเป็นนางที่ โดดออกไปเพื่อจะอ่อนแอ่นว่องไว้แสดงลีลาเนะนี่ยพอีนสุดนางนี่กับเป็นหลมท้เนี่เอยคงจะหัวใจวายอย่างที่ว่านะนางก็เลยหัวใจวายตายในกลางบงพอในตายในกลางวงแท้เนี่ยสันติมหาบัตรดูตาค้างอะไรสิเอา้าไปดูใช่ไปไงเขาไปดูโอยนางตายแล้วพอนางนี่ตายแล้วครับผม พอสันติธรรมาทได้ยินว่าอพอภรรยาของตัวเองตายเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเหล้าที่ดื่มมาทั้งเจ็ดวันน่ะหายเกลี้ยงไปหมดเลยทีหายเมาทีนี้ไม่รู้หายไปไหนหายเมาหมดเลยจากนั้นโ อ, โ อ, โอ้ความทุกโศกตัวนี้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะบรรเทาความโศกของเรานี้ไปได้จากนั้นก็นึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว ก็เออพาเราไปเถอะเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้แหละฮะจากนั้นก็ขึ้นคอช้างจะเกิดบริวารทั้งหลายกิล้อมรอบไปไปกันน่ยไปใส่ชุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสน่นะก็ใส่ชุดนั่นแหะชุดพระราชาที่ได้พระราชทานเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์โอ้ยข่าพระอ ง, งออค์โศกเศร้ามีความทุกข์เหลือเกินเพราะว่าเออมียของกระผมเนี่ย ได้รับได้รับพระราชทานมาเพิ่งแต่งงานเนี่ยามาตายเสียแล้วเพราะนั้นกระผมเองมีความทุกข์เหือเกินขอพระองค์จงโปรดเมตตาระ ง, งับความโศกของข้าพระองค์ด้วยเถิดนะอันนี้คือสันติมหาอมามัดกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าสันติเธอน้ำตาหลั่งไหลกับนี่แหละกับผู้หญิงคนนี้ที่ตายไปนี่นะ ถ้าจะเปรียบเทียบกับน้ํามหาสมุทรถ้ามันไม่แห้งนะน้ําตาของเธอไหลอยู่เนี่ยถ้ามันไม่แห้งเนะียมันมากกว่าน้ํามหาสมุทรทะเลนะสันติเธอเวียนไหวตายเกิดเนี่ยนะที่ร้องหยงร้องไห้กับคนที่รักที่ตายไปอย่างเนี้ยเคยเป็นมาแล้วทีนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาสันติมหาบาทท่านก็ฟังจากนั้นพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟัง จบสี่บาทพระคาถานะีสันติอมาตได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พอสําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วตัวนี้ก็โอข้าพระองค์ขอดูชีวิตของตนเองมองดูชีวิตของตัวเองโอข้าพระองค์เนี่ยคงชีวิตก็คงไม่นานกับผมขอลาตายพระเจ้าข่าเพราะพระพองค์บอกว่าเออสันติอมาตคนทั้งหลายยังคล่องใจสงสัยอยู่ว่าเธอได้สําเร็จเป็นพระรหันต์หรือไม่ เพราะเราได้ประกาศไปแล้วเมื่อเช้านี่เพราะฉะนั้นเธอคงประกาศบุพกรรมของเธอก่อนนะเออใครคาดว่าเธอทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตจึงได้มาถึงจุดนี้ประกาศให้คนทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวแห่งการศึกษาครับผมแต่อย่าประกาศบนดินนะต้องเหาะขึ้นบนอากาศซะก่อนจึงประกาศนะสัน ต, ติอมัดครับผมจากนั้นสัน ต, ติมหาอามาัดเออก็กราบพระพุทธเจ้าก็ถอยออกไป พอถอยไปก็เหาะขึ้นไปสูงเท่าต้นลำตาลหนึ่งแล้วลงมากราบพระพุทดธดเจ้าพอเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นไปถึงเจ็ดชั่วลำตาลแล้วไปนั่งอยู่บนอากาศจากนั้นประกาศธรรมท่านีพระพุทดธดเจ้าข่าบุพกรรมของข้าพระองค์ในอดีตชาตินับจากวันนี้ไปถอยหลัง91อกับยุคสมัยนั้นชื่อพระพุทดธดเจ้าวิปัสสี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 พรในฐานะของข้าพเจ้าก็พอมีอยู่มีกินเอาเถอะข้าพเจ้าจะประกาศให้คนทำบุญนะจากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปแล้วพี่น้องลูกหลานคณะศรัทธายาดโยมนะเนอะเย็นวันนี้เป็นวันพระนะไปฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าน ะ, อะตอนเช้าพระพุทธเจ้าจะไปเจด็จไปที่โน่นที่นี่ตักบาตรเนอะทำบุญเนอะให้ทานนะเนอะให้มีศีลห้านะอย่าไปทำ ค, ความชั่วเนอะ อันนี้คือบุรุษนั้นมีหน้าที่ปเปล่าประกาศใครจะฟังเรือ่องไหนฟังก็สุดแท้แต่มีหน้าที่ปเปล่าประกาศตลอดแต่ี้พอต่อมาอพ่อของพระบิดาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีท่านก็เห็นได้ยินเสียงเอ๊ะไอ้หนุ่มคนนั้นมันประกาศเรื่องอะไรเรียกมันมาหาเสอันนี้ก็เราไปหาเออเธอเธอเธอทำอะไรทางบุรุษนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์ประกาศให้คนทาคุณงามความดี โอ้เธอทํำยังไงเดินไปกับผมเดินไปเออเอาเราจะให้ม้าหาม้าให้ตัวหนึ่งใส่พวงมาลยัยคล้องคอใช่ไ้มกับประกาศเนี่ยได้ม้าตัวหนึ่งไลจะไปที่ไหนก็ไปเลยประกาศพอต่อมาได้ยินอีกเอามันยังประกาศอยู่เลยเฮอเธอทําอะไรผมขี่ม้าไปครับโอ้ม้าเนี่ยมันยังนั้นจะเอาขึ้นรถม้ารถม้าสี่ตัวขึ้นประกาศเลยพอต่อมาอีกเธอจะเป็นทำยังไง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 ข้าพเจ้าได้ทําบุญในชาตินั้นน่ะมากที่สุดเอที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามานั้นติดพบติดชาติมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีเพิ่มเติมอีกมากมายหลายหลายอย่างอาแต่มาพบนี้ชาตินี้ก็เห็นไหมขนาท่านจะได้มักได้ผลอยู่แล้วเอกีบเมฆหมอกจะมาปิดบังจนท่านได้เมาเออ เมา จ, จนไม่มีอะไรที่จะดีจนลืมหลงมัวเมาแต่ถ้าว่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันแต่นี่สันติมหาอามาตย์เป็นผู้โชคดีอย่างมากท่านเมื่อหายเมาถึงขนาดนั้นแล้วท่านจึงลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงทำให้ฝังจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอรหันต์จากนั้นพอได้ประกาศ ทำให้แก่พี่น้องประชาชนกล่าวโทนพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าได้รับทราบแล้วได้บอกกับผมขอปรินิพานลาปรินิพานพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอเออไปตามการอันควรเถอะนะสันตติอมาตจากนั้นสันตติอมาตก็เพ่งเตโชกับวายโยเตโชคือไฟวาโยก็คือลมแพ่งลมและแพ่งไฟ พอจากนั้นชันสันติมาร์ตก็เหาะขึ้นบนอากาศเลยท่นี่เหมือนกับบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสอยังงั้นอ่ะมันไหม้กอดกอดกอดกอดกอขึ้นไปหายเงียบไปเลยจากนั้นก็เห็นแต่กระดูกเอกระดูกตกลงมาพระพุทธเจ้าก็คลี่เอผ้าขาวรองรับจากนั้นกระดูกของสันติมาราหามาตก็ตกมาลงลงในผ้าขาวพระพุทธองค์ก็มอบให้แก่เอ พุทธบริษัทว่านี่นะเอากระดูกนี่ไปสร้างเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้สักการะบูชาอันนี้คือกระดูกของพระหัน์ถ้าผู้ใดได้กราบได้ไหว้กระดูกพระรหัสนจะติดพบติดชาติไปในพบโพมต่างๆจะเป็นบุญกุศลมากมายเพราะฉะนั้นกระดูกนี่กระดูกของพระรหัส์เอาไปไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาเนี่ยนะ นี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์ท่านจะไม่ให้เอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะฉนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ทูลกระหม่อมฟวาหญิงมาถแถลงข่าวที่วัดป่าบ้านตาดว่าจะต้องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแน่จะสร้างเจดีย์แน่ อ, อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อบรรจุพระธาตุขององค์หลวงตาที่ประอบทองคํา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 เกือบจะเข้าเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นล้านนะ่ะมากมายนั่นแนหะคุณอุปการทางด้านวัตถุทางด้านนามธรรมาแล้วหลวงตาได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองได้แนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ศิลป์ไอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาไปอย่างนี้นะถ้าพวกเราได้ฟังแนวธรรมคาสอนขององค์หลวงตาแล้วทําคําสอนขององค์หลวงตาที่ลึกซึ้งมากนํามาประพฤติปฏิบัติได้เพราะนั้นพวกเรา จึงได้รวมกันเพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของสัตติมหาอัมมั์ก็เหมือนกันเมื่อท่านล่วงลับไปพระพุทธเจ้ายัางเอาผ้าเช็ดหน้ารองรับกระดูกของอธิธาตของอสัตติมหาอัมมั์ให้ไปปลูกสร้างสตูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบได้ไวาสักการบูชา แต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อเป็นคารวะเป็นพระรหันต์ล่วงลับดับขันอย่างนั้นพระสงฆ์ก็สนธนากันเอเราจะตั้งชื่อว่าเป็นสมณะหรือเป็นพรามเออเราจะตั้งชื่อว่ายังไงคนคนนี้พระพุทธองค์จะเด็จมาพระองค์บอกว่าเป็นได้ทั้งหมดจะว่าพรามก็ใช่จะว่าสมณะก็ใช่เออได้ทั้งหมดจะว่าบัณฑิตนักปราชญ์อะไรได้ทั้งหมด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 เป็นครวาตญาตโยมน่ยจะยากกว่าเพราะว่าเรามีภาระธุรกิจธุระมากอิลุงตุงนางมากมายหลายอย่างถ้าเป็นนักพจนักบวชมีหน้าที่เดียวคือตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่านักพจนนักบวชก็เถอะถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยไม่มีศีลาจารวัตขี้เกียจบวชเข้ามาแล้วคิดว่าจะได้มรดกได้ผลเฉลยไม่ใช่นะ เ, เหมือนกับคนขี้เกียจไปทําที่เกียจทํางานนั่นะ จะเป็นเศรษฐีไม่ได้คนที่ขยันทำงานคนที่ขยันทำงานในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกจึงจะร่ำรวยขึ้นมานี่ก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมรรคผลนิพพานรอคอยพวกเราอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันดับแรกหลวงพ่อได้พูด กล่าวถึงประวัติขององค์หลวงปู่จันศีของพวกเราจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดถึงบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้คือบุพการีเพราะเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวที่ตาจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญา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 พวกเราได้กราบได้ไหว้เคารพสักการบูชาล้วนแล้วจะเป็นพระทาตให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นแล้วก็หลวงพ่อได้พูดว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคราวาสญาติโยมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะได้มรรคผลนิพพานไหมนีออ่อันนี้แหละสัน ต, ติมาหาอ ม, มาท่านก็เป็นคราวาสยังเป็นขี้เมาอีต่างหากนะท่านก็ยังได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารในภพนี้ชานี้แต่พวกเราก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเอ่อเป็นแนวทางเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนต่อไปในภพภูมิในภพหน้าชาติหน้าการกล่าวธรรมเทศนาหรือว่ากล่าว สำโมทนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัสศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญบา ร, รมีของหลวงปู่พระอุรมญาณโมรีหลวงปู่ใหของเราที่ท่านได้สั่งสมบา ร, รมีมาณนะยาวนานบุญบา ร, รมีของท่านขอขอให้คุ้มครองคณาธาญาตโยมลูกหลาน